ไม่นํามาใช้กันสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริจริงไม่นํามาใช้แต่ถ้าหากว่ามุ่งต่อโลกามิษฐอยู่แล้วอาจมีถ้ามุ่งต่อโลกาภิษก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติมันก็มาขัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จึงพูดว่าทางด้านปฏิบัติแล้วไม่มีพิธีฟังพอเป็นพิธี เทเสพพลพิธีก็ไม่มฟังตั้งใจผู้เทศตั้งแต่เทศให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจจริงๆด้วยเจตนาอย่างนั้นผู้ฟังก็ตั้งใจฟังจริงๆด้วยความสํารวมระวังจิตใจของตนไม่ให้ส่งไปในที่อื่นๆในขณะที่ฟังทําความรู้สึกอยู่กับใจของเราเท่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องส่งจิตกระแสจิตออกมา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 ไ่กิเลล่วงเขาเขาไปออะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ผู้ร้ายน่นเขาไปขโมยของอะไรของในบ้านหมดก็ไม่รู้เราไม่เคยทำจริงทำจังไวง้ตำหนิติเตียนตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย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 ดังที่เราทราบทราบกันทำลายจะมีเจตนาหรือไม่มีไม่สําคัญเพช่งอย่างไม้มันหลุดจากมือของเราลงไปทับเท้าของเราเนี่มันก็เจ็บได้ ท, ทั้งทั้งที่เจ้าของไม่มีเจตนาหรือมีถูกมือแล้วของโดยมีเจตนาจาับฟันมือมันก็เจ็บได้เป็นแผลได้นี่คำพูดที่เป็นภัยแต่ตนศา ส, สนามันก็เป็นได้อย่างอย่างทําลองเดียวกันนี้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 การประทานอุวาทให้แก่สัตว์โลกจิงต้องประทานเต็มถ้ากำลังสติสัพความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างให้สมภูมิกับคำว่าศาสตราเอกของโลกแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยเจตนาอย่างนั้นด้วยแล้วผลไม่เป็นไปตามเจตนาไม่เป็นไปตามการกระทําที่ถูกต้องงดงามเต็มกำลังความสามารถ จะไม่จะเป็นเป็นอื่นได้อย่างไรเพราะเหตุกับผลเป็นความเกี่ยวเนื่องไปโดยลำดับการทำเล็งเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรต้องเต็มต้องได้เพราะฉะนั้นขั้งพุทธการท่านแสดงทำผู้บรรลุธรรมจึงมีจานวนมากด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ในขั้นตกมาสมัยทุกวันนี้ศ า, าสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงของท่านภู้ิเศษวิสโสของท่านผู้ทำจริงรู้จริงเห็นจริ ง, ร ง, รงสั่งสอนสัตว์โลกิด้วยธรรมนั้ น, น, นแล้วธรรมเหล่านี้ก็มากลายเป็นธรรมพิธีให้แก่โลกที่เป็นโลกพิธีผู้นับถือทำเป็นพิธีพอเป็นลางๆอะไรนั้นอะไรแล้วก็เลือนก็ลางก็จางไปหมดปลอมไปหมดเพราะหัวใจพาให้ปลอมหัวใจไม่จริงสียอย่างเดียวอะไรก็ปลอมไปหมด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 ต้องเข้าใจตามหลักคำนั้นๆแล้วทมทั้งหมดท่านมีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็นน้ำก็มีไว้สาหรับอาบดื่มใช้สอยสาหรับชัก พ, พ่อหรือชะล้างสีสกรปรกสมมทั้งหลายธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะพวกเรามันพวกสกรปรกทั้งนั้นบรรดาจิตใจที่มีกิเลสเป็นจิตใจที่สกรปรก กายวาจาที่เป็นวงรังของของจิตจิตที่เป็นวงรังของกิเลสมันจึงเป็นเรื่องส่งกระปบกประดำตามกันกับกิบเลสซึ่งมีอยู่ภายในนั้นท่านจึงต้องหาธรรมหาน้ำที่สะอาดมาตั้งสอนพวกเราคือธรรมที่สะอาดก็คือสอาขาตาธรรมตราบไว้ชอบแล้วเห็นแสดงว่าสะอาดเต็มที่แล้วนิยานิกระธรรมเป็นธรรมที่รับรอง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 แล้วทำมังสะนางกระฉามนี้ซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์แท้ไม่ออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าจะออกมาจากไหนพระไทยที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระการสะสารการถัดเกา่าการชะล้างด้วยอัดด้วยธรรมนะัดเป็นความจริงมาโดยลําดับลำดั ก, กจงกระทั่งถึงปัจจุบันถึงพวกเหล่านี้ทำเป็นธรรมชาติที่สะาดอยู่เช่นนั้นสําหรับล้างสิ่งโกปรตัวห ม, ม่ของสารโลกถ้าเราคิดตามธรรมดาของเรา อยเพลินเพนย่า ง, งโลกที่สมมุติทั่วไปก็ว่าเรานี่สะอาดที่สุดไม่มีใครจะยิ่งยิ่งกว่าคนงโง่ไม่มีใครจะอจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคนโกโปกถ้าพูดตามทำแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราโกโปกทางใจที่เต็มไปด้วยที่เรืขึ้นเป็นสิ่งสมมติแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าอดอตัดทำเพิ่ม ทาลางดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้สาทละเวลาหน้าที่การงานตลอดทั้งชีวิตจิตใจมาเพื่อบำเพ็ญตนนี้จึงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณและ อ, อนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้นาโอกาสนี้ด้วย คำที่ว่าพวกเราสกปกนี่ก็พอจะทราบกันได้คำว่าสกปกสกโปกเพราะอะไรที่โลกหนักทงให้ดีที่โกรธที่หลงที่สามกองนี้เต็มอยู่บนหัวบนหัวอะไรบนหัวใจนานอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตาหนิตีเตียนท่านขยะขยัยงมาก พวกเราชอบจิงไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่จะนำมาชาล้างเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ผู้ถูกหยายามมีเยอะอวางเพราะความเห็นผิดต้องผิดไปเรว่อ ย, อ, ยอะไรพาให้เห็นผิดถ้าไม่ใช่หัวใจที่เต็มพระทุกิเลสซึ่งเป็นตัวผิดทั้งเทนั้นพาจิตใจให้ผิดไปด้วยและพา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 มันจเจริญที่ตรงไหนถ้าพูดตามหลักธรรมความจริงแล้วมันจเจริญที่ตรงไหนคนกําลังจะถูกเผาต้องเป็นอยู่เวลานี้แล้วแล้วหาความจเจริญมาจากที่ไหนความจเจริญก็ต้องคือความสงบสุขความสะดวกสบายความเป็นอยู่ผูว่าสะดวกสบายหน้าที่การงานสะดวกสบายการครุขพาสมาคมสะดวกสบายอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นคณะเปนมีจํานวนมากน้อยเป็นความสะดวกสบายไม่ ทะเลาะ บ, บ่แวง่งไม่ฆ่าไม่ตีไม่แยี่ยงไม่ชิงไม่คดไม่โกงไม่กดขี่บังคับไม่รีดไม่ไถซึ่ง ก, กันและกันซึ่งเป็นการทําลายสมบัติและกิจการซึ่ง ก, กันและกันต้าทศจากสินน่งเหล่านี้จะหมดโลกมีความลมเย็นนั่นโลกได้รับความสงบสงบอย่างนั้น <S <S แล้ว ล, ลุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าโลกเป็นอย่างนั้นแล้วผลเป็นอย่างไร <S <S 2> <S 2> ทั้ ง, ท, งทั้งที่โลกทั้งหลายว่าโลกเวลาที่โลกกาลังเจริญมันจเจริญ อ, อะไรให้เราดู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 คนนั้นมีความสุขแล้วเหรือที่เดมันชอนมันชายมันกัดมันฉีกอยู่ตลอดเวลาทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งจิตใจะแล้วเจริญนั่เหรืออย่างนั้นความกัดทั้งมันผลที่เกิดขึ้นจากความกัดความฉีกของที่เดมันก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขไม่มีแล้วเราความสุขจากที่ไหนย้อนมาดูตัวของเรามันก็เป็นไฟภายในใจิตใจท้องที่เลดชก่อไฟอยู่ตลอดเวลาอืม ราคตินาโทสักตินามหกินากก น, ากก น, านันตังเดชไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือมุขไฟคือความโลภความโกรธความหลง ม, มันเผาอยู่ที่ทจิตใจไฟไม่ว่าจะก่อที่ไหนมันร้อนทั้งนั้นเนี่ยอืมถ้าไฟนี่มันสว่างโทมขึ้นมาภายในใจิตใจอืไฟราคะโทสักมุขมันสว่างจริงสําหรับ ตัวิเดตประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกผีอันตาการเรณโอนทาทันว่าตามหลักธรรมท่านสอนไลยว่าโกนุฮาโซจิ ม, มานันโนนิจังปชัชเชตเตสติอันตาการเรณโอนทาปฏิปังนัตเวสถะคั้นเมื่อโรคสารนิวาดนี้เต็มไปด้วยความมืดหมดองการเพราะอำนาจแห่งพิเดตะกันหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลาย เพื่อเพลินกันหาเรื่องอะไระทำไมจึงไม่รีบหาสแสวงหาที่พึ่งมาเพลินตัวอยู่ทำไมกับไฟกองที่กำลังพงอยู่ในตัวงมันแต่เรามืดลงทุก ว, วันทุวันอันนี้นท่านสอนถึงใจไ้ยพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าเราจะฟังเพื่อถอดถอนที่เดชมันถึงใจจนหน้าละอายตัวเองเมื่อเป็นเชนั้นแล้ว ฟังด้วยความถึงใจแล้วทําไมาจิตใจจะมีไม่มีความขระหิมไม่มีความพอใจที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาอสุรซึ่งมันเป็นภัยทั้งกอ ง, กองภายจิตใจของแต่ละคนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วกิเลสทําไมจะไม่หลุดลอยออกไปเมื่อได้ทําลงด้วยความถึงใจเห็นโทษของกิเลสด้วยความถึงใจเช่นนั้นเนกิเลสมันจะคนอยู่ได้หรือจากความเพียรของผู้ที่รู้ภัยรู้โทษของกิเลสอย่างถึงใจเช่นนั้น นี่ละบรรดาพระพุทธสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านรู้เห็นทำท่าน ร, านรู้ท่านเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจการทำทําอย่างถึงใจรู้จึงรู้ให้ถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจถึงความหลุดพ้นไปด้วยความถึงใจนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องพิธีนรับศีลก็รับเป็นพิธีอะไรก็เป็นพิธีฟังธรรมก็เป็นพิธีพุทธปฏิบัติอะไรเป็นพิธีทั้งนั้นเรื่องเหมือนกับเรื่องเด็ก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 แล้วเราจะหาผลมาจากไหนมันมเมื่อมีแต่พิธีเต็มจิตเต็มใจเต็มอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและในงานนั้นๆที่เลรมันมีพิธีที่ไหนเวลามันจะกัดฉีกหัวขดมันมีพิธีไหมเราดูสิมันตั้งท่าตั้งทางยกครูยกคันมั้ยที่เหลืการแสดงอย่างนั้นชื่อว่ามีพิธี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 เป็นเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งอยู่บนหัวใครหัวเราทุกคนมีแต่เสือรุมกัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, ด น, ด น, นั่งนอนม่างไปไหนมีแต่เสือรุมกัดอืออวัยวะจนได้มีเหลือมันกัดมันขีดไปเท่านั้นมันก็ขีดไปเรื่อยเดินไปมันก็ขีด ก, กัดไปเรื่อยเราจะดูได้ไหมดูไม่ได้เลยแต่นี้กิเลสมันไม่เป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นมันกัดมันขีดอยู่ภายใน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 ทำพอเป็นพิธีเฉยรักษาศีลก็พอเป็นพิธีแต่เวลาจะล่วงล่วงศีนไม่ไม่พอเป็นพิธีมันล่วงจริงๆให้ขาดจริงๆสะบ้านประหมดภ <c oughs> าวนาก็พอเป็นพิธีแต่เวลาความง่วงมันจับตัวเข้ามามันครอบเข้ามานี่ล้มตูมจริงๆไม่ได้ไม่ได้นอนพอเป็นพิธีเฮ้มันนอนจริงๆหลับคล้อคล้อเหมือนคนตายเ <c> ฮ <oughs> ้ดย <c oughs> มันเป็นพิธีไม่เวลาสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง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 ถ้ามันทําเราด้วยวิธีใดบ้างมันมีเงาบ้างไห้ที่เดชทําเราพอถ้าไม่เห็นตัวมันพอเห็นเงามันก็ยังดีเช่นอย่างเขาตั้งหมัดตั้งมัวเนี่ยมองเห็นเงาเขาก็ยังน่าดูอยู่ไม่เห็นตัวคนเราไปมองดูเงามันก็ยังน่าดูแตนี้ไม่เห็นจนกระทั่งเงาของทิเดชฆ่าคนทําลายคนเบียดเบียนคนทรมานาคนกดขี่บังคับคนแล้วเราจะไปแก้ทิเดชได้ที่ตรงไหนเมื่องเง า, เาก็ไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงตัวทิเลนดช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 ทั้งเงาของกิเลสทั้งตัวของกิเลสเพรมันมาด้วยเหตุใดผลใดมันมาด้วยอาการอะไรผู้ที่ออกต้อนรับคือเรื่องจิตใจของเรามันออกต้อนรับกิเลส ย, ยอมรับกิเลสก็ดีมันยอมรับพื่ยเหตุใดเราจะทราบในขนะนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดับดับเทือเอา้าตั้งสติลงที่ตัวรู้คือใจนั่นแลตัวขนองอยู่ตรงนั้น ทำไมใจจึงผ่องเพราะกิเลสทาให้ผ่นอนทาให้ลิ้นกวดแปงจะแสดงขึ้นมาจากจุดนั้นเมื่อมีสติแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของจิตเบื้องต้นเรากําหนดให้รู้อย่างนี้แล้วพยายามกําหนดให้รู้แล้วมีบทธรรมเป็นเครื่องกํากับหรือว่าไม้คอยตี อ, อาศัยไม้คือบทธรรมบทนั้นๆคอยกากับให้มันโผล่ขึ้นมาได้ตีด้วยบทธรรม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 ของกิเลประเภทต่างๆนี้เราพอทราบแล้วว่าเงาก็พอทราบหรือว่าตัวก็พอทราบแล้วความฟุ้งซ่านเราก็ทราบแล้วทินงว่ามันเป็นไถ่ความสงบเราก็ทราบว่าเป็นคุณแล้วจะสงบได้โดยวิธีใดเราก็ทราบวิธีการที่ทําคือภาวนาด้วยความมีสตนินี่เมื่อเราทราบในเงื่อนหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทราบไปโดยลํำดับเพราะสติ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 เป็นผลขั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าจะเรียกว่าขั้นแต่คาว่าขั้นมั่นขั้นนี้ก็ไม่อยากจะเรียกให้เสียเวลาสงบหรือไม่สงบมันก็ทราบภายในตัวเองเหมือนอย่างเรารับทานอาหารมันถึงขั้นไหนแล้วเวลานี้เราก็ไม่เห็นถามกันนนะเริ่มรับทานเบื้องต้นนี้สาเร็จขั้นไหนไม่เห็นว่ารับทานไปรับทานไปจนกระทั่งอมีมันรู้เองไม่จาเป็นจะต้องเอาขั้นเอาภูมิไปใส่ของ ความอิ่มของเราอันนี้ก็เหมือนการใจรู้ไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าใจทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้หนาวรู้รู้ทุกทั้งนั้นเป็นผู้รับรู้ตลอดเวลาใจนี่แหละจะเป็นผู้รับรู้เมื่อได้สร้างสติปัญญาให้เป็นเครื่องกากับใจได้ดีแล้วใจจะเด่นขึ้นด้วยความรู้ของตัวเอง ความสงบก็จะมีความชำนิชำนาญไปโดยลำดับอาวเราจะพิจารณาแยกแยกเหตุผลต่างๆถึงจิตมันไปเกี่ยวข้องติดพันกับเรื่องอะไรเจรินกายเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองก็จะทราบทั้งร่องรอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกด้วยจิตมีความรู้อันเดียวเท่านั้นสติมีความระลึก และดับไปดับไปเรียกว่าสติปัญญามีความสอดซองความไข้ครวนใข้ควนก็ไข้คลวนเรื่องตัวเองนั่นแหละอันนี้จังนะท่านว่านี่เป็นแผนของปัญญาน ะ, นะทุกขงังพนัตตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินรับปัญญาพิจารณาเรื่องอ น, นิจจังมันเป็นอะไรอ น, นิจจังนี่ ม, มัน ไตรตรองไปเรื่อยๆด้วยนับแต่ชิ้นหนึ่งถึงสองชิ้นสามชิ้นจนกระทั่งรอบตัวและรอบโลกธาตุแต่และอย่างอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดนี่ทราบซึ้งด้วยปัญญาเมื่อได้ทราบแท้ ด, ด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดแล้วเราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไทงทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังอย่างประจักษ์ใจนี่การพิจารณารำให้ประจักษ์ใจเป็นอย่างนี้ทุกขังก็ทราบไง มันแสดงอยู่ตลอดเวลามันเป็นไฟจริงๆทราบแล้วมันจะไปชินกับความทุกข์ได้อย่างไงไม่เคยชินไม่เคยได้ยินว่าใครชินกับความทุกข์ถ้าเรายังดยกรู้ชัดๆเราเอามือจ่อลงไปในไฟดูสิมันจะชินไหมเราอยู่กับไฟมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้มันชินไหมกับความร้อนที่จะทําให้เราทุกข์นั้น่ะไม่ชินพอมือจ่อลงไปปั๊บนี่ยมันจะโดดทันทีมือปั๊บทันที ย้อนกลับทันที<ม>กระตุกตัวเองทันทีเพราะความร้อนมันแผดเผาทนอยูไม่ได้นั่นมันชินหรืออย่างนั้นนี่ยพิจนาท่นนานเห็นชาติด้วยปัญญาถึงใจอย่างนี้คาว่าอนัตตามันก็ฟังมันว่างไปหมดนี่เราเสยเออเฉว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนนั่ น, เ ป, น, น, นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลแม้แต่ก้อนธาตุที่อยู่ในร่างกายของเรานี้มันก็ว่างจากความเป็นตนเป็นตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมัน แตเรามาเสกก็มันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วก็รวมจากนั้นก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยธรรมชาติจริงๆแล้วอนัตตามันว่างจากความเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นลไปหมดแล้วโดยหลักธรรมชาติภ า, ายในพิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมชาตินี้จิตจะได้ถอยตัวเข้ามาจากความรุ่งหลงังนั้นแล้วปล่อยความกังวลได้ในสภาวะทั้งหลายซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทราบโดยทางปัญญา ทราบอย่างนี้จิตเมื่อได้ถอดถอนตัวหรือได้เปิดเผยฟื้นสิ่งปิดบังทั้งหลายโดยความรู้ชัดว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นในจันทรคติออาศาสตรแล้วทำไมจิตจะไม่โลง่งทำไมจิตจะไม่สว่างสวัยทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่อัศจรรย์ทำไมจิตจะไม่ผ่องใส เป็นจิ่งที่น่าชั้นจันต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่สงสัยขีดจิตไม่แสดงความอาจารย์ให้เจ้าของเห็นเลยก็เพราะมีแต่ิงสกปรกโสมมที่หาคุณค่าไม่ได้มันครอบจิตทั้งหมดจิตจึงกลายเป็นนักโทษทั้งดวงนั่นก็มีคุณค่าที่ไหนเมื่อวันเป็นนักโทษทั้งดวงเพราะธรรมชาติที่เป็นโทษมันอยู่กับจิตที่ทั้ทงหลายนั่นแหละ มันเปิดออกไฟเปิดออกไฟอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นเปิดเผยตัวออกไปโดยลําดับลำดับความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตความเป็นลักษณะของจิตในอีกขั้นหนึ่งนั้นไม่ต้องถามเบาห ว, วอยู่ที่ไหนฟืนเบาไปหมดแต่ก่อนเคยแบกนอนก็แบกนั่งก็แบกเดนก็แบก แบกทิ้งนั่นแบกอุปท า, านความหนักือภูเขาทั้งลูกว่ามันใหญ่มันโตมันหนักนเราเล่นเคยแบกบ้างแล้วหรือภูเขาเราถึงจะเศราบมันหนักฮแล้วไม่เคยแบกเราจะไปหารพูดเลยดูตัวมันที่มันหนั ก, นกคือเบนจะขันนี่นหนฮกมันหนักที่ตรงนี้<ฮ>ยิ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลูกไม่ขึ้นพอคนอื่นช่วยพยุงช่วยเขาเจ็บอีกหนักเขาอีกด้วยการเจ็บการปวด ในอวัยวะต่างๆนั่นมันทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งปวดเลยเพิ่มเป็นเรื่องหนักไปหมดนี่แหละตัวหนักจริงๆท่านจึงว่าภาระเหวี่ยปัญจขั้นถาภาระอันหนักจริงๆก็คือเป็นจขันธ์นั่นถ้าไม่ได้บอกว่าภาระอันหนักจริงๆคือภูเขานะท่านไม่เห็นว่าอ น, นีเอ่เราพิจารณาเห็นจริงหน่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องทับจิตใจของเราทึงพิจารณาให้รู้ในอาการทั้งห้านี้มันคือไตรลักทั้งนั้น เ, เราจะไปอ่าน หามจะไปเอื้อมจะไปจับจะไปยืดจะไปแบกมันหนักถ้าไปแบกมันหนักถ้าป่วยเสียมันก็เบาล่อยด้วยปัญญาให้รู้ท่ารามจริงหยุดเถินที่นี่มีความรื่นเริงบันเทิงดูที่ไหนรื่นเริงอยูในป่าไหมเขาอดกีมเป็นตายอะไรทั้งนั้นนี้แต่ความรื่นเริงบันเทิง ธรรมปีติสุขขังเสติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ยังหยาบไปอถึงเข้าถึงขั้นนั้นแล้วหรือจะม่าละเอียดถึงภูมินั้นธรรมก็มีหลายขั้นอ้าวถูกต้งองธรรมขั้นนั้นปีติในธรรมขั้นนั้นแต่ปีติอย่างละเอียดเช่นเดียวกันมีความอยู่เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขยืนเดินอะไรเป็นสุขทั้งนั้นโอดอีนเป็นสุขสบายแต่หมด หมดความกังวลหมดภาระเป็นเครื่องกดทุ่มจิตใจอา้เอาเพื่อมันสิ้นซากไป ใ, ให้หมดไม่มีอะไรเหลือต้นไม้เราตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นมันออกหมดอา้ายังเหลือหัวต่อรากแก้วเราขอยขุดค้นมันขึ้นมาเอาเผาไปเสียให้สิ้นซากไปเสียหมดเท่านั้นต้นไม้จากนั้นไม่มีทางเกิดได้อีกเลยเ จิต ก, ก็เหมือนการถอนหน้าแจ้วมันซึ่งอยู่ภายใจิตท่านเรียกว่าอภิชามันปล่อยอะไรๆหมดแต่ตัวของเจ้าของก็อาชจรรย์อ้อยอิงอยู่กับความท้งาาอาพาเพย์ความสะเยียดละ อ, อ้อซึ่งนเรื่องของกิเลสประเภทละเอียดพิจารณาเขาอีให้พอนี่ก็คือกองไตรลักษณ์อีกเช่นเดียวกันยาถือว่าเป็นเราอนะ มันเราอะไรนี่คือกองไอ้จังทุกขงางตาตัวขี้เหร่ตัวพายยังมาเป็นเราอยู่เหรออะความฟองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไวทำไมนั่น อ, อันนี้ก็คือขิ้เหร่ประเภทหนึ่งนีเวลาย้อนเข้ามามันไม่มีวลาพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำถึงทำขั้นละเอียดสุก สับเบธมานาลังอนิเวสา่ายะด้วงมันนะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่น ส, สุดสุดท้ายและสัเพธมานาตาทั้งปวงเนี้เป็นอนาตาทั้งสิ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วน ย, ยาส่วนละเอียดความป่องสายความเ้ามองอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะเป็นอนาตาทั้งสินน้นนั่นพิจณาอีกทีเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนาตาทั้งหมด ถามต้องพวงที่ไม่ควรถือมัน่นกับชิงอันนี้เองที่ไม่ควรถือมัน่นพอเต็มที่เต็มภูงของปัญญาและาศาสตร์ภับเดียวหมดเมื่อสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าอยากกลางละเอียดได้สิ้นสุดไปจากใจแล้วปัญหาอะไรที่จะมีอีกต่อไปอไม่มี หมดนั่นแหะท่านผู้หมดทุกท่านหมดอย่างนี้นี่แหละคือผู้เหนือทิเลศทิเลศจะได้มากัดมาฉีดเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอันว่ายุติกันเพียงเท่านั้นเอถูกฆ่าหมดให้ทิพายไม่มีหรือว่าลยทิเลศทุกประเภทซึ่งเปลีป่ยนเหมือนเสือโคร่งฆ่าด้วยสติปัญญาอันแหลมคมคือมหาสติมหาปัญญาสิ้นซากไปหมดเออ เสวอมตะธรามโดยหลักธรรมชาตินี่คือผลในการปฏิบัติอันแท้จริงอย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้เพราะทำเป็นธรรมชาติที่ถึงใจของสัตว์โลกทําเป็นของจริงผู้สอนจึงสอนด้วยความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติจริงจริงจังๆังฟังจริงๆงจังจัแก้ที่เลือดันหาสมาธิซึ่งเห็นว่าเป็นภัยเห็นอย่างจริงๆแก้อย่างจริงจริงก็พ้นได้อย่างจริงจริงอย่างนี้ไม่เป็นอื่น เพราะสวกคาํานั้นท่านเรียกว่ามัดกิ ม, มาทัานต่อเหตุการณ์ในตลอดเวลาไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามาัดกิมาปฏิวปทาเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดฟันกิเลสให้แหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรอยู่แล้วเลยท่านจึงเรียกว่ามัดกิ ม, มาเหมาะสมตลอดเวลากับการแก้กิเลสกองคุกที่มีอยู่ภานใจของตัตรูการแสดงคำโฆษณารสพวนวรจณาขออุปติเบืยร์ท่าน